จาราวักว่าด้วยเรื่องแผ่นดินไหวตรัสแสดงบุคคลแปดประเภทคือภิกษุอยากได้ลาบหนึ่งพยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบไม่เกิดขึ้นก็เสียใจเคลื่อนจากประศัตรธรรมสองพยายามเพื่อได้ลาบเมื่อลาบเกิดขึ้นก็หมู่เมาประมาทเคลื่อนจากประศัตธรรม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 ห้ามีวาจาไพเราะ6ชี้แจงชักชวนเพื่อนพรมจารีให้อาดหารร่าเริงครั้นแล้วตรัสว่าลดข้อแรกเหลือแต่ห้าข้อหลังก็ใช้ได้ลดสองข้อหลังเหลือแต่สี่ข้อแรกก็ใช้ได้ลดข้อสาและสีเหลือเพียงสี่ข้อก็ใช้ได้ลดข้อหนึ่งกับข้อห้าและห เหลือเพียงสามข้อก็ใช้ได้ลดข้อหนึ่งข้อ3และสเหลือเพียงสมข้อก็ใช้ได้ลดสี่ข้อเหลือเพียงข้อสมข้อสี่ก็ใช้ได้ลดสี่ข้อแรกเหลือเพียงข้อ5ข้อ6ก็ใช้ได้ตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้ขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ โดยตรัสสอนให้สําเนียกว่าหนึ่งจิตจะตั้งมั่นอกุศลธรรมจะไม่กรอบงำข้อสองถึงห้าเราจะเจริญทําให้มากซึ่งเมตตากรรมนามุทิตาอุบเบกขาอันเป็นเจโตวิมุตติหมายถึงอันเป็นชาญข้อหกถึงเก้าเราจะเจริญทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี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 เราจักรู้ว่าเทวดานี้มาจากเทพนิกายนนท์สี 4. เราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านั้นเคลื่อนจากนี้เกิดในที่นั้นเพราะขนแห่งกรรมนี้ห้าเราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้เศวษสุทุกอย่างนี้6เราจักรู้ว่าเทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้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 เนรูปภายนอกไม่มีประมาณทั้งที่มีผิวพรรณดีและสามห้ากำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเขียว 6. กกำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีเหลือง 7. จ็ดกำหนดหมายอรูปภายในเห็นรูปภายนอกสีแดง 8. ปดกำหนดหมายอรูปภายใน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 พระอาณนน์กราบทูลถามถึงเหตุปัใจจัยให้แผ่นดินไว้ตรัสว่ามีอยู่แปดประการคือลมกำเริบผู้มีฤทธิ์บรรดาลประโอทิษัตจุติจากดุสิตลงสู่พระคันพระมานดาประสูตรตรัสรู้ระตถาคตแสดงธรรมจักลงอายุสังขารและปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธ า, าต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 วักที่ห้าตรัสสอนให้เจริญธรรมะ8ดอย่างคืออริยามรรคมีองค์อภิพายตนะ8ดวิโมก8เพื่อรับอุปกิเลส6มีราคะเป็นต้น